พระธรรมเทศนาแผ่นที่51อลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หมีนาคม2556มีชื่อเรื่องว่าหน้าต่างของใจวันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนสาม ตรงกับวันที่ห้ามีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบหกวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันพระพวกเราได้ทำวัดสวดมนต์เย็นพร้อมกันตอนน่อีนไปหลวงพ่อจะได้กล่าว สำ ม, มทนายกถาเพื่อการศึกษาพวกเราท่านทั้งหลายที่มาพร้อมกัน ร, รวมกันการเรียนรู้หรือการศึกษาหรือการปฏิบัติไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดอยู่กับพวกเราทุกคน แต่พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาได้เรียนรู้มากหลากหลายสรุปได้อย่างนั้นแต่หลวงพ่อเองที่เป็นหัวหน้าก็พยายามที่ได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาใน ม, มีประสบการณ์อย่างไรหลวงพ่อเองก็จะพยายามนำมาบอกกล่าวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลาย แต่บางทีอาจจะได้ยินซ้ำๆสากๆกันบ้างกระธรรมดาเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันมีแนวแถวเดียวกันการศึกษาจะให้แปกแตกต่างกันจนพูดไปคนอาทิ์ละทางมันคงไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราทานอาหารเราก็ยังทานอาหารประเภทเดียวกันกินมาตั้งแต่วันเกิด เราก็ยังกินกันอยู่ยังทานกันอยู่ทําไมไม่ทานอย่างอื่นแต่ว่ากินข้าวทานข้าวเนี่ยเอาข้าวมากินทั้งเต็มไหนแต่ไรทําไมไม่กินดินกินกวดบ้างฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องอีกเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันทําคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไปพูดออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางเข้าไม่ได้เราก็ต้องนําทําคําสอนที่ท่านได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติ เห็นผลมาอย่างไรเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระสงฆ์สาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้นำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาแนะนำสั่งสอนพวกเราพวกเราถึงจะได้ยินได้ฟังหลายครั้งต่อหลายหนแต่พวกเรายังปฏิบัติไม่ได้ก็ยังพวกเราก็ยัง ยังล้าหลังอยู่ก็ต้องพยายามฟัง เ, เรื่องกละเม็ดหรือวิธีการาที่พวกเราจะฟังให้ยิ่ ง, งขึ้นไปเพราะธรรมะ ท, ทคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดอย่างที่ผมได้กล่าวอย่างพระอาโนนอย่างนี้ท่านได้สำเร็จพระโสราบัน กับพระมันตณีพระมันตณีบุตรเถระพอท่านได้ฟังท่านก็ได้สําเร็จพระโสดาบันอย่างภาษารีบยบบทท่านได้ฟังทำจากท่านอัจชิชิท่านก็ได้สําเร็จพระโสดาบันท่านพระโมคคลาท่านได้ฟังทำคําสอนที่สืบเนื่องมาจากท่านอาจิชิ พระสารีบุตรไปขยายผลต่อให้เพื่อนฟังคือพระโมกขลาท่านก็ได้สําเร็จพระโสดาบันที่ฟังจากท่านสารีบุตรที่ท่านได้บอกนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่บอกฟังจากพระโอษของพระพุทธเจ้าคนเดียวจึงจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลถ้าผู้ใดก็ได้ที่พูดเป็นอัดเป็นธรรม อย่างนั้นก็นำมาปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราก็เป็นสมบัติของเราแต่การให้นั้นเป็นสมบัติที่ท่านเอาให้ท่านถ่ายทอดให้แต่เมื่อเรานำมาปฏิบัติปรับปรุงกายใจของเราแล้วเป็นสมบัติของเราเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็อันนั้นคื อ, เ, อ, อเป็นพระสุตร คือเป็นพระธรรมพระธรรมเนี่ยที่พวกเราได้ศึกษาคือปริยัติปริยัติคือการเราเรียนที่อาศัยการได้ยินได้ฟังคือปริยัติในเมื่อเราได้เรียนได้ศึกษาแล้วคือปริยัติแล้วจากนั้นเรานำมาปฏิบัติในเมื่อเรานำมาปฏิบัติผลแห่งการปฏิบัติออกมาอย่างไรอันนั้นคือปฏิเวทนะว่าปฏิเวทธรรม คือผลแห่งการปฏิบัติของตนเองอย่างพวกเราได้ยินให้นั่งสมาธิอย่างนี้นะรักษาศีลอย่างนี้นะปฏิบัติตนอย่างนี้นะอันนี้คือปริยัติเมื่อเราได้ยินแล้วเร า, เราก็เมื่อได้ยินท่านบอกกล่าวแล้วเรานำมาปฏิบัติเราเดินยังกรมยังไงเรานั่งสมาธิยังไงเรากำหนดจิตใจยังไง เราพิจารณาการกรองไตรตองทางวิปัสสนาพิจารณาอะไรเนี่ยวันนี้เราได้ปฏิบัติลงมือปฏิบัติเดินโยงกล ม, มทําอย่างนี้เวลานั่งภาวนาทับอย่างนี้เมื่อจิตใจสงบแล้วนำมาพิจารณาทางวิปัสสนาอย่างนี้อันนี้เมื่อเรานำมาปฏิบัติแล้วผลมันเกิดขึ้นมาทางในจิตใจของเรา อันนี้เรียกว่าปฏิเวทคือผลแห่งการปฏิบัตินี่แหละเป็นสมบัติของใครเป็นสมบัติของพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่สมบัติของผู้พูดไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่สมบัติของพระพุทธเจา้าเป็นสมบัติของเราเพราะเราเสาะแสวงหามาได้เรารู้จักวิธีการเพราะในเร า, เาได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ อยากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นเมื่อเราได้รับทมคำสอนของท่านนำมาประพฤติปฏิบัตินะจะนี่่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วอย่าให้มันผ่านไปเฉยเฉยเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นำมาประปรุงกายวาจาใจของเรานะ อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ภาวนาอย่างวิธีเดินยังกลมเดินยังกลมทํำยังไงเราจะเดินสายยาวมากขนาดไหนแต่วิธีเดินยังกลมเราให้เอามือประสานกันที่ทางหน้าท้องมือขวาทับมือซ้ายประสานกันแล้วก็เดินจงกรมขาขวาพุธขาซ้ายโท โผล่โทลทโผล่ให้กําหนดที่ลงที่เท้าเพราะว่าการเคลื่อนไหวแต่เวลาเรานั่งภาวนาเรากาหนดที่จมูกที่ปลายจมูกของเราเพราะร่างกายของเราทุกส่วนไม่เคลื่อนไหวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเสร็จแล้วมันไม่เคลื่อนไหวอย่างอื่นมีตะลมหายใจเข้า หายใจออกเคลื่อนไหวเราเอาสติจับที่ปลายจมูกในการเคลื่อนไหวของร่างกายหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้วหายใจออ ก, ย อ, อ, กอย่างที่ผมพูดเมื่อเช้าแต่พร้อมกันหลวงปู่มั่นท่านก็แนะนำว่ามันกลุดได้ง่ายควรจะบริกรรมพุทโธอันนี้เราจะเอาอย่างพระพุทธเจ้าก็ได้หรือจะเอาอย่างหลวงปู่มั่นก็ได้ไม่ผิดกติกา แต่ทดลองดูซิอันนี้ก็คือการทดสอบทดลองถ้าทดลองดูแล้วอันไหนได้ผลดีกว่าเราก็นาเอาอันนั้นมาปฏิบัติอย่างที่ผมแนะนำว่าให้กำหนดให้นับหนึ่งหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองอย่างนี้ได้ผลยังไงถ้าเรานามาปฏิบัติได้ผลสติของเราดีขึ้นดีมากมา เราก็นำนั่นแหะนำมาปฏิบัติกับตนเองได้นี่แหละหรือว่าการเดินโยกลมก็เหมือนกันเออการภาวนาของเราเนี่ยถ้าเรานั่งมันงกงวก่วงมันหลับมันเคลิ้มหลับเร็วเร็วกว่าเราเดินยโยกลมเนี่ยพิธีการเดินแล้วก่อนเนี่ยเวลาการจะเดินเวลาเราจะเดินยโยกลมเป็นกิจยะลักษณะเราก็ปนมือขึ้นแล้ววาง อ, อก ไหว้ครูซะกอ่อนพุทโธธรมโมสังโฆสจบพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆนะสมจบจากนั้นก็เอามือลองก็ประสานที่ไว้ที่ท้องมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นก็ก้าวขาขวาพุทขาซ้ายโทไม่ต้องเดินช้านะเพราะว่าการเดินยองกลม ค, คือการเดินเปลี่ยนเรียบทนะเดินตามปกตินะพุท โทรุทธให้มีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดิน mm hmm. เดินนานั้ยนานเท่าที่จะนานได้บางคนก็ถูกจดดกับการเดินเพราะว่าการนั่งมันหลับมันงกง่วงมันหลับแต่บางคนก็เดินซะก่อนเดินให้เพียงพอซะก่อนเดินให้เหนื่อยซะก่อนจากนั้นก็มานั่งมานั่งกัตธมาทีกราบ ขึ้นมาถึงที่พักเราก็กราบเอกราบเหมือนกราบอะไรกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจของเราเราล้ำลึกขึ้นมานั่นแหละพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่นั่นอยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดของพวกเรานั่นแหละไม่ใช่อยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ที่ดินฟ้าอากาศอยู่ที่หัวใจของเราอยู่ที่ความนึกคิดของเราพอเราน้อมล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ตรงนั้นล่ะ จากนั้นเราก็ไหวพุทโธธรมโมสังโฆจากนั้นเราก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงจากนั้นกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนั้นมันสืบเนื่องมาตั้งแต่เดินจงกรมในเมื่อเราเดินจงกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วมันยังสืบเนื่องอยู่ เพราะการเดินจงกรมเนี่ยจิตจะสงบได้ยากกว่าแต่ถ้าว่าใครก็ตามทาจิตสงบให้ขณะที่เดินจงกรมจิตรู้สึกว่าจะเลึกกว่าจะนิ่งกว่าเออคล้ายๆกับว่าจิตสงบในการเดินจงกรมเนี่ยรู้สึกว่าเออมันเห็นได้ชัดชัดเจนมากๆบางคนกเ็เดินจงกรมมันจะสงบได้ยังไง ได้เวลาจิตจะสงบในขณะที่เดินขาหรือเท้าของเรามันจะชิดปุ๊บโดยอัตโนมัติมันจะยืนนิง่งสติกับจิตยอยู่กับตัวเองเลยเ น, นิ่งนี่แหละจากนั้นก็ถอนออกมาแต่นานไหมก็สุดแท้แต่กำลังของไครของเราที่ด้การฝึกฝึกในการเดินนี่แหละ อันนี้เมื่อขณะที่เราเดินถึงจะไม่สงบเราก็พยายามข้าขวาพุทขาา้ายโทรพุทโทรพุทโทรอยู่ตลอดจากนั้นพอสงควรมันเหนื่อยละเราก็กลับขค้นไปกระลบาบพระไหว้พระอย่างที่ว่าจากนั้นก็เข้าสมาธิเลยกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบางคนขณะที่เราเดินยังกลมมันการเคลื่อนไหวมันรวมสงบได้ยากอย่างที่ว่า แต่พอนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งนี่แหละรวมได้ง่ายในเมื่อจิตใจรวมสงบแล้วเราจะรู้ผลแห่งความสุขในการทำจิตให้สงบเพราะจิตใจของเราตะกอนมันปุงฟงอยู่ตลอดไปล่ำเวลาถ้ามีเรื่องมีราวเกิดขึ้นยิ่งคิดมากามีแต่เรื่องปุง่งมีแต่เรื่องทุกข์หาทุกข์ใส่ตัวเอง แต่บัทนี้เราพยายามไม่ให้มันนึกไม่ให้มันคิดให้มันปิดประตูอไม่ให้มันมีอารมณ์เข้ามาทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจก็คือนะความนึกคิดของตัวเองนะไม่ให้มันนึกคิดที่มันผ่านผ่านมาอย่างไงปล่อยวางทั้งหมดทําใจให้ว่างให้มีแต่พุทธโธอย่างเดียวเพราะเราจะภาวนาเราไม่ได้นึกคิดอย่างอื่นอย่างอื่นเอาไว้ก่อน เรานึกคิดมาพอแรงแล้วละเรื่องอย่างอื่นแต่บัดนี้เรากาลังภาวนาเราจะให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกพร้อมกับบริกรรมพุทโธเท่านั้นคือเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความใส่ใจอย่างเดียวจากนั้นใจิตใจของเร า, าจะไปไหนถ้าไม่สู่ความสงบไม่เข้าสู่ความสงบในเมื่อใจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งมันเน่งนั่นแหละ มันผ่านความสงบได้แล้วนะเราจะภาคภูมิใจในส่วนหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็เชื่อมั่นในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอีกเออพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านรู้ได้ยังไงท่านเห็นได้ยังไงเออใช่จิตสงบนะั้นมีความสุขจริงๆมันปล่อยวางมันนิ่ง อ, อที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเออเราได้ลิ้มรสหน่อยนึงเออแต่เป็นความสุขจริงๆอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้จริงๆไม่ต้องถามหาไมไ่ต้องออถามหาใครแล้วไม่ได้ใครแนะนำมันรู้ได้ด้วยตนเองเหมือนกับเราทานอาหารอย่างนั้น เราทานอาหารอิ่มเ้ออาหารอิ่มมันเป็นอย่างนี้เองนะถ้ามันหิวมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มันหิวพวกเรามันหิวอยู่ตลอดปล่อยจิตปล่อยใจมันหิวความหิวมันคือความมันวิ่งอยู่ตลอดมันหาความสุขไม่ได้คือความหิวแต่ความอิ่มเนี่ยพวกเรายังไม่เจอแต่เมื่อเราเจอความอิ่มเข้ามาเราจะรู้ได้เออความอิ่มเป็นอย่างนี้เองเราจะรู้ได้ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเรื่องบำเพญ็ญจิตภาวนาเนี่ยเมื่อถึงความสงบแล้วเราไม่ต้องถามใครรู้ได้ด้วยตนเองนี่แหละอันนี้ก็คือสมถหะหรือสมาธิเนเมื่อจิตใจเป็นสมาธิเราบังคับจิตใจของเราให้นิ่งให้สงบแล้วนะจากนั้นก็นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาต่อไป แต่เรื่องสมาธิเนี่ยนะอยากจะให้พวกเราได้ริ้มรถสมาธิซะก่อนแต่บางท่านบางคนก็อ้าสมาธิเป็นเครื่องเนิ่นช้าทําให้เสียไปรับเวลาอันนั้นอย่าไปพึ่งพูดเราจะไม่เป็นสมาธิอย่าไปคิดกลัวจะเป็นเศรษฐีเฮ้ยถ้าหากว่าเราได้เงินมาเป็นเศรษฐีก็ไปติดข้องอยู่ในการเงินนั่นสิไม่ไปที่ไหนไม่ได้อย่าอย่างน้อยให้มีอยู่มีกินซะก่อน ถ้าเราไม่มีเงินไม่มีอของใช้ไม้สอยซะก่อนเราจะไปเดินเราจะไปทำอย่างอื่นได้อย่างไรอันนี้แหละเราต้องให้มีอยู่มีกินซะก่อนเป็นพื้นฐานซะก่อนจากนั้นยังค่อยยังค่อยเดินยังไงยังค่อยว่ากันจะติดหรือไม่ติดจะคล่องหรือไม่คล่องในการเป็นอยู่ของตนเองนะั้นยังค่อยว่ากันไม่ใช่ว่าพอสมาธิขึ้นมาแล้วจะติดในสมาธิ ไม่ไปไหนไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นในเมื่อเราได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วสมาธิเป็นเครื่องพักของจิตใจทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งทำให้จิตใจไม่ให้วุ่นวายให้รู้จักจิตใจผ่อนคลายปล่อยวางให้อยู่เป็นอารมณ์เป็นหนึ่งในเมื่อเราทำได้อย่างนี้แล้วนะเจ้าจะเดินวิปัสสนา พิจารณาทางปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะมันผ่านความสงบมาได้แล้วนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะจากนั้นก็เดินวิปัชนาอะไรกันพิจารณาพิจารณาร่างกายสังขารอย่างที่พวกเราได้ท่องสาธยายมอกีนะอยังโคเมกายโยกายของเรานี่แหละนะแต่ว่าการแพทย์การหมอเขาดูร่างกายเนะี่ยเขาดูอีกอย่างนึ่ง เขาดูว่าร่างกายผมมีหน้าที่อะไรลิร้นมีหน้าที่อะไรตามีหน้าที่อะไรสิ่งที่ตาที่มันดีตาที่มันบอดตาที่มันฝ้าฟาฟางมันเป็นยังไงอันนี้เขาดูอย่างนั้นแต่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดูกายให้ดูตาหูจมูกลิ้นกายตาไปเห็นรูปเกิดความรักความเกลียดความโกรธความพอใจไม่พอใจอย่างไรหรือเฉยเฉยยังไง หูได้ยินเสียงเขาดุดาว่ากาวเขาดินติชินดินทาใจของเราก็เพิ่อมยังไงมีความทุกข์อย่างไรนี่แหละอันนี้คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ดูจุดนี้ไม่ให้ดูเหมือนแพทย์เหมือนเหมือนหมอท่านให้ดูสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายมันส่งเข้ามาหาใจทั้งหมดสรุปแล้วก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเนยมันเป็นประตหน้าต่าง เ, เป็นหน้าต่างที่เปิดเปิดหน้าต่างของใจ ใจจะโผ่ไปทางตาโผไปทางหูโผไปทางจมูกโผไปทางลิ้นโผมาทางกายโผลทางกายมันโผล่ยังไง เ, เรานั่งอยู่มันร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งความไม่พอใจในที่มันหนาวมันเป็นยังไงมันร้อนเป็นยังไงมันหิวมันเป็นยังไงนี่แหละใจของเรามันโผมาทางทําสัมผัสทางกายจะรู้เห็นอย่างนี้ทั้งตาเป็นยังไง หเห็นที่สิ่งที่พอใจสิ่งที่ไม่พอใจเกิดกิเลสลาคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงพอเห็นทางตาทางหูก็เหมือนกันสรุปแล้วก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นหน้าต่างของใจนะใจคือตัวผู้รู้นี่ตัวผู้รู้ไปรับรู้ในเรื่องนั้นรับรู้รับรู้ทางตารับรู้ทางหูทางจมู ก, มกไปวันวิ่งหลอกอยู่ทั้งวันใจของเราเนี่ย มันวิ่งลอกอยู่ส่องหน้าต่างดูหน้าต่างอยู่ตลอดเวลาเนี่แหละพระพุทธเจ้าสวัยอย่าให้มันดูหน้าต่างอย่าให้มันออกไปทางหน้าต่างให้มันเิ่งเหมือนให้มันนิ่งอยู่ในความสงบให้อยู่ในใจใจในใจให้รู้สติให้ควบคุมให้มันอยูอ่จากนั้นเมื่อจิตใจควบคุมอยู่นิ่งจิตใจมันไม่ออกไปมองไปทางหน้าต่างมันก็ไม่มได้รับ ไม่ได้รับอารมณ์ที่มากระทบเพราะว่าเราไม่ออกไปดูมันอย่าดูที่ใจแต่เมื่อใจจิตใจเข้าสู่ความสงบรวมลงเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วนะจากนั้นก็นำมาพิจารณาทางร่างกายร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงนะใช่ไหมเราเห็นคนตายไหมคนที่ตายไปก่อนของเรามีไหมปู่ย่าตายายไปไหน หมูพวกเพื่อนของเราเอไปไหนเราจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมใจถามใจตัวเองนะนะทินเน่เมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วมองดูใจถามใจตัวเองใช่ไหมใจใจถามใจเอสังขารร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะขนาดร่างกายสังขารร่างกายของตัวเองแท้ๆยังไม่ใช่ตัวของเราของอย่างอื่นล่ะเออ เลือกสวนไร่นาบ้านพักพาอาศัยยศถาบรรดาศักพีน้องลูกหลานวงานาศาคณาญาติญาติมิตรสหายเงินคำทรัพย์สมบัติวัด ป, ป า, าศาสนาบริขารของใช้ทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นของเราใช่ไหมใจก็ต้องบอกไม่ใช่ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ของเราสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พึ่งพาอาศัยเท่านั้น มันไม่ใช่ของเรานะใจนะอย่าไปยึดว่าเป็นของเรานะอันนั้นเป็นสิ่งพอพึ่งพาอาศัยเท่านั้นอีกสักวันหนึ่งนะพอร่างกายแตกตายสลายลงไปสิ่งเหล่านั้นก็ทิ้งทั้งหมดไม่ใครไม่มีใครที่จะถือไปได้เอาไปได้ด้วยสักอย่างนี่แหละทีนี้พอใจของเราพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ใจของเราก็เกิด ความเบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นจุดนี่แหละจุดที่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นตามความเป็นจริงนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่า เ, เปิบเกิดความเบื่อหน่ายคลายใจของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสโลภโกรธหลงก็ไม่มีในจิตใจเป็นโลภไปทําไมแล้วจะไปโกรธไปทําไมแล้วจะเป็นหลงไปทําไม อรู้เท่นี่แหละปล่อยวางรู้รู้แล้วรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละอันนี้กัอาศาวะกิเลส ก, ก็จะหลุดจึกผุดขึ้นในจิตใจใจของเราเป็นอมตะธาตุเป็นอมตมะธรรมจิตใจที่ไม่ลุ่มหลงจิตใจรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละจุดนี้แหละให้พวกเราศึกษานะแต่มันพูดเข้าไปแล้วก็มันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนพอสมควร แต่เมื่อเราพิจารณาการกรองไต่ตรองด้วยปัญญาแล้วมันเป็นสัดส่วนของแต่ละอย่างรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางนะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆองนะอันดับแรกก่เนยกรรมฐานเนี่ยจะกาหนดอะไรกรรมฐานกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อเช้าหรือภาวนาพุทโธหรือกาหนดลมหายใจเข้าออกหรือว่านับตัวเลข เรื่องกรรมฐานไหนพิจารณาร่างกายก็ได้กรสุดแท้แต่เพราะว่ากรรมฐานของพระพทุทธเจ้าท่านวางไว้ทั้งสี่สิบอย่างกรรมฐานสี่สิบมากกว่านั้นอีกอที่หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้ฟังอพยับแดดอย่างนี้หละเห็นฟองน้ําแตกอย่างนี้เห็นของไม่เที่ยงอในจักรวาลอย่างนี้ มีมากมายเห็นคนล้มคนตายอย่างนี้เห็นคนแก่อย่างนี้ก็น้อมมาหาตัวเองจากนั้กก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายมันมีมากกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้แต่ให้ยึดแนวแถวขององค์หลวงปู่มั่นของเราเนี่ยแหละหกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็การเดินจงกรมกัขาขวาพุทขาซ้ายโถอันนี้จะ ท่านได้ผลมาแล้วท่านปฏิบัติมาแล้วได้ผลมาแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกองที่สายล้มปู่มันท่านยอมรับกันมาเป็นทอดๆ ท, ท่านจะมาถ่ายเทให้กับพวกเราขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะในภาวนากําหนดอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราพาดเมินนั่นนะ่ะคิดว่าไม่ผิดทางไม่หลงทางเดินตามแนวแถวท่าน แต่ตำรับตำลาที่ท่านเขียนไว้ก็มีแต่ว่าธรรมเทศนาของหลวงตาตั้งแต่สองทุ่มถึงตีห้าแล้วก็ฟังเถอะนี่แหละเป็นแนวแถวแต่ผู้ที่ฟังบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ก็ฟังหลายครัง้งหลายหลนะายหนเนจะเข้าใจให้สังเกตนั่งฟังจริงๆนะในเมื่อเราฟังจริงๆเราก็จะเข้าใจได้ในรมคำสอนของนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรานะ เอาตอนนี้ไปนั่งสมาธิแล้วที่นี้นะ